อาจารย์พรหมวังโสท่านเป็นพระชาวอังกฤษนะมาบวชปฏิบัติกิดหลวงพ่อชาตอนหลังก็ไปสอนที่ออสเตรเลียก็มีญาติโยมนะชาวออสเตรเลียชาวฝรั่งมาศรัทธานับถือท่านมากนะท่านก็ได้ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆมากมายแต่เวลาอยู่วัดเนี่ยก็จะมีโยมมาขอ พรจากท่านโดยพราะเวลามีการแต่งงานนะคู่แต่งงานเนะจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาขอให้อาดรย์พรมให้พรและให้ธรรมะนะท่านก็บอกว่าเวลาใครมาขอธรรมะจากท่านนะโดยเพราะที่เป็นสามีภรรยาเนะี่ยท่านก็จะพยายามพูดให้ดีที่สุดตั้งใจทําให้ดีที่สุดเหตุผล ง, ง่ายๆคือว่ามันเป็นเปี่ยวกับท่านเองนะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าสามีภรรยาอยู่กันไปแล้วไม่มีธรรมะนะก็จะทะเลาะเบาแวงกันเสร็จแล้วก็ต้องมาให้ท่านแก่นะช่วยแก้ปัญหาช่วยช่วยคืนดีท่านบอกว่าเป็นภาระ ก, กับท่านมากนะเพราะนั่นเนี่ยเพื่อความเพื่อความเพื่อลดปัญหาเนะที่ยเกิดขึ้นกับท่านนะท่านก็จะให้คําแนะนําให้ธรรมะนะ ตั้งแต่ตอนที่เขาแต่งงานใหม่ๆนะเขาจะได้ไม่มีปัญหามารบกวนท่านในเวลาหลังในภายหลังนะอันนี้ก็เหตุผลกับท่านนะท่านก็พูดมันกับทีเล่นทีจริงก็มีสามีภรรยาคนหนึ่งก็มาหาท่านก็เป็นฝรั่งนะท่านก็พูดกับสามีแล้วว่าเนี่ยก็อย่าคิดถึงแต่ตัวเองนะทําได้ไหมสามีบอกทําทได้นะจะพยายามไม่คิดถึงแต่ตัวเองแล้วพูดกับภรรยาเจ้าสาวว่าเนี่ย เธอก็จะอย่าคิดถึงแต่ตัวเองนะทำได้ไหมทำได้ค่ะนะดิฉันจะพยายามไม่คิดถึงแต่ตัวเองเสร็จแล้วท่านก็ไปหันมาที่สามีแล้วก็พูดว่าเนี่ยอีกอย่างนึ่คืออย่านึกถึงภรรยานะสามีหรือเจ้าบ่าวก็ก็เอะใจหรือว่ารู้สึกอั้ม อ, อึงนะว่าเอ๊ะ ถ้าจะไม่คิดถึงภรรยามันจะทําได้ยังไงนะแล้วมันจะดีหรือนะไม่คิดถึงแต่ตัวเองก็ดีแล้วนะแต่ว่าไอ้ไม่คิดถึงภรรยาเนี่ยมันจะมันจะดีหรือนะก็นึกคัดค้านในใจภรรยาท่านก็พูดเหมือนกันนะว่าอย่าคิดถึงแต่สามีนะภรรยาหรือเจ้าสาวก็คัดค้านในใจว่าแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงนะถ้าหากว่า สามีเนี่ยไม่นึกถึงภรรยาภรรยาไม่นึกถึงสามีแล้วชีวิตคู่มันจะลาบลื่นหรือท่านก็บอกว่าลาบลื่นแน่นะถ้าหากว่าแทนที่เราจะนึกถึงตัวเองหรือว่านึกถึงภรรยานะนะเรานึกถึงแต่คำว่าเรานึกถึงแต่คำว่าเรานะนาานะไม่มีฉันไม่มีเธอมีแต่คาว่าเราอันนี้ต่างหากเนี่ยที่ควรจะมีนะ คือท่านแนะนำให้สามีภรรยาเนี่ยนะให้นึกถึงแต่คำว่าเราเวลาเวลาสามีมีปัญหาก็ให้ภรรยานึกว่าเนี่ยนี่คือปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของสามีเวลาภรรยามีปัญหา ก, ก็ให้สามีนึกว่าเนี่ยนี่คือปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของภรรยานะเพราะ ว, ว่าถ้าสามีเนี่ยไปมองว่าเนี่ยนี่เป็นปัญหาของเธอนะก็ไม่คิดจะไปร่วมแก้ไขเวลาภรรยา นึกในใจว่าเนี่ยนี่เป็นปัญหาของเธอเป็นปัญหาของสามนะีก็ไม่คิดจะไปร่วมมือแก้ไขนะแต่ถ้าเกิดว่านึกว่าปัญหาของภรรยาคือปัญหาของเราปัญหาของสามีคือปัญหาของเราก็จะเกิดความใส่ใจอยากจะไปร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยนะอันนี้ก็เป็นคำสองท่านที่น่าสนใจนะก็คือว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยมันควร อย่านึกถึงตัวเองแล้วก็อย่านึกถึงแค่คนอื่นนะแต่ให้นึกถึงคําว่าเรานะอันนี้มันก็ไม่ได้เหมาะกับการครองครองชีวิตคู่เท่านั้นนะการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะมันก็จะมีปี่โยชนมากเท่าเราคิดแต่คําว่าเรานะไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มีกูไม่มีมึงนะมีแต่คําว่าเราอันนี้ก็ใช้ได้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยแม้กระทั่งตอนนี้มีข่าวนะเรื่อง โรฮิง ญ, ญานะชาวโรฮิง ญ, ญาอพยพหนีภัยจากพข้ามานะลอยเรือมากลางทะเลนะปอกกัว่าไม่มีประเทศไหนรับเลยนะไม่ว่าจะเป็นไทยพมา่าหรือว่าไมืองไทยมาเลแล้วก็อินโดนีเซียนะคนไทยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยรับเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาระมากนะเพราะว่าจะมีตามมากันอีกเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วเราจะเลี้ยงดูยังไงไหวนะ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 นี่ฉันไทยนะเธอในปานหรือว่าฉันไทยแกพมา่าฉันไทยแกโรหิงญาเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดช่องว่างหรือเส้นแบ่งขึ้นมาซึ่งทําให้เรารับรู้ความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้น้อยลงก็อย่านึกถึงแต่ว่าเออรับเข้ามาแล้วนี่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแค่ไหนรับเข้ามาแล้วจะเป็นภาระกับประเทศชาติแค่ไหนก็มองแค่เนี้อไอการมองว่าการมอง อะไรเนี่ยด้วยความสึกว่าเป็นเรานะีมันทําให้เกิดความกลมกลืนทําให้เกิดเมตตากรุณาทําให้เกิดความช่วยเหลือเกือก้อกูลกันนะมันใช้ได้ไม่ว่าจะในชีวิตครอบครัวในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหรือว่าการอยู่ร่วมกันกับคนทั้งโลกนะอย่ามีแต่คําว่าตัวฉันตัวฉั น, ห ร, ฉนหรือตัวเธอนะีนึกถึงฉันก็ไม่ดีนะนึกถึงเธอบ้างแต่ถ้าพอนึกถึงเธอแล้วนะมันไม่มีคําว่าเรามันก็จะกลายเป็นคนละพวกกันได้ง่าย แล้วก็เอเื้อเฟือเกื้ อ, ก, อกูลกันถ้าเราคิดวปัญหารูหิงยาคือปัญหาของเราด้วยถ้าคนไทยทุกคนนะคิดว่าปัญหารูหิงญาคือปัญหาของเราก็คงจะอยากจะช่วยเหลือเขามากกว่าที่อยากจะผลักไสออกไปอาละเตรียมรับพร